ตอนที่หนึ่งร้สิบเจ็รายงานตัวที่มหาวิทยาลัยเรื่องวิญญาณกับชาติมาเกิดใหม่เช่นนี้ไม่ว่าจะบอกใครก็คงยากจะทำใจเชื่อได้หลีหวานจึงไม่ได้อธิบายเรื่องอื่นกับหลีชิงทิงมากนักเพียงแต่กล่าวว่าแม่ขนูชอบพวกสมุนไพรจีนมาตั้งแต่เด็กแล้วโสมที่ขายให้ร้านครั้งก่อนหนูก็ไปรับซื้อมาจากคนอื่นหนูเป็นแค่คนกลางกินส่วนต่างไม่นะข้าเงินทั้งหมดหนูก็เก็บไว้ที่ตัวเองไม่ได้เอาไปใช้ใจ่ยายสุ้อรุ่ยซื้อไรเลยไม่เป็นไรก็ดีแล้ว ลี่ชิงพิงถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกนางยื่นมือไปกอดลูกสาวไว้ในอ้อมแขนแน่นขอบตาเริ่มแดงระเรื่อเสีววันต่อไปถ้าลูกขาดหรือเงินทองอะไรก็บอกแม่นะแม่จะให้ลูกเองอย่าไปคิดหาวิธีหาเงินแบบนี้อีกเลยนะตกลงไหมแม่คะเรื่องนี้สำหรับหนูมันไม่ยากเลยคะ่ะหเสววันสัมผัสได้ถึงความหงอยยยจากลี่ชิงพิงในใจของนางรู้สึกอบอุ่นยิ่งนักอย่างน้อยที่สุดแม่คนนี้ก็รักและถนอมนางจากใจจริงอืมลี่ชิงพิงไม่สนเรื่องอื่นขอแค่ลูกสาวไม่เป็นอะไรนางก็วางใจแล้ว แม่กับพ่อของลูกคิดดูแล้วทั้งที่ดีควรจะจัดเรื่องอยู่หอพักที่โรงเรียนจะให้เดินทางไปกลับแบบนี้ไม่ได้อีกมันเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ง่ายเกินไปก่อนหน้านี้หลีชิงถิงคิดว่าลูกสาวอยากทําอย่างไรก็ตามใจแต่หลังจากผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้มานางก็เริ่มกลัวหักลูกสาวต้องกลับบ้านทุกวันนางคงต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงทุกวันเช่นกันหนูฟังตามที่พ่อกับแม่บอกข้าหนูจะอยู่หอพักที่โรงเรียนไม่กลับบ้านบ่อยๆค่ะลิวโ น, นพยักหน้าตกลงลูกแม่ช่างว่าง่ายนัก ลี่ชิงถิงกอดนางและพูดคุยกันอยู่นานกว่าจะกลับเข้าห้องตัวเองก็เป็นเวลาที่หลีหวันใกล้จะนอนแล้วลูกชายตัวน้อยถูกกล่อมจนหลับไปแล้วเจ้งางวิงฉงเหลือมมองนางแวบหนึ่งเรื่องอยู่หอพักบอกเสียวหวานหรือยังถ้าเด็กไม่อยากห่างบ้านทุกสัปดาห์ที่ลูกกลับมาผมจะจัดให้ทหารติดตามไปรับนางเองหรือถ้ายังไม่ดีพอก็จ้างคนขับรถมารับส่งโดยเฉพาะเลยก็ได้ไม่ต้องลำบากขนาดนั้นหรอกข้าต่อให้คุณจะจัดคนขับรถให้ฉันก็ยังไม่วางใจอยู่ดีลี่ชิงถิงขมวดคิ้วแน่นพางสายหน้า อยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละปลอดภัยที่สุดพวกคนไม่ดีพวกนั้นเข้าไปในโรงเรียนไม่ได้หรอกคะ่ะเจ้าหวินชงยืน่นมือไปตบหลังมือนางเบาๆเขาทำท่าเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็เงียบไปเป็นอะไรไปคะทาไมทำท่าอึดอักแบบนั้นลีชิงถิงไม่เคยเห็นเขาเป็นเช่นนี้มาก่อนมีเรื่องอะไรที่เขาไม่กล้าพูดกันนะผมปกป้องเสียหวานได้ไม่ดีพอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณเลยคะ่ะ ลีชิงพิงไม่คิดเลยว่าชายผู้นี้จะโยนความผิดมาที่ตัวเองหากจะบอกว่าความแตกต่างระหว่างคนเรานั้นช่างมากมายเหลือเกินก็คงไม่ผิดโจจีน้นี้นั้นไม่แยกแยะผิดชอบชัว่วดีเอาแต่จะวิ่งมาตําหนิความผิดของนางแล้วเขาที่เป็นพ่อแท้ๆเคยมีความรับผิดชอบบ้างหรือไม่ในบางแง่มุมเขายังทําหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าเจิ้งอวินชงเสียด้วยซ้ําตอนที่เราแต่งงานกันผมแอบตั้งปณิธานไว้ในใจว่าจะปกป้องพวกคุณแม่ลูกให้ดีไปตลอดชีวิตแต่ผมกลับผิดคําสัญญาคุณทําดีมากแล้วคะ ลี่ชิงพิงมองชายตรงหน้าด้วยสายตาอ่อนโยนทุกสิ่งทุกอย่างที่เจิ้งอวิ๋นฉงทำให้นางล้วนพึงพอใจและไม่มีสิ่งใดให้ตําหนิเลยชิงพิงสายตาของเจิ้งอวิ๋นฉงที่มองลี่ชิงพิงเริ่มเปลี่ยนเป็นลึกซึ้งลูกกระเดือกของเขาขยับขึ้นลงเล็กน้อยลี่ชิงพิงกับเขาเป็นสามีภรรยากันมานานเพียงแค่มองตาก็รู้แล้วว่าเขาหมายถึงอะไรลี่ชิงพิงเขินอายจนหน้าแดงนางก้มหน้าลงนอนเถอะค่ะอึมนอนกันเถอะ ในวันรายงานตัวเข้ามาหาวิทยาลัยห ล, ลีชิงผิงและเจิ้งอวิ๋นชงเป็นคนไปส่งหลีหวานทั้งคู่เริ่มเก็บสัมภาระกันตั้งแต่เช่าตรู่ดูเหมือนจะไม่เยอะแต่พอเก็บจริงๆกลับได้กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ถึงสองใบก็ไม่ใช่ว่าจะไม่กลับมาเสียหน่อยจำเป็นต้องเอาของไปเยอะขนาดนี้เลยหรือเจิ้งวิ๋นชงมองจนเปลือกตากระตุกแม้เขาคนเดียวจะแบกสัมภาระสองใบนี้ไหวก็จริงแต่นี่มันก็ดูเกินกว่าเหตุไปหน่อยคุณจะไปรู้อะไร นอกจากเสื้อผ้าที่ต้องใช้พลัดเปลี่ยนตามปกติแล้วแค่ฟูกกับผ้าห่มก็เอาไปอย่างละ2ผืนแล้วแน่นอนว่าต้องนอนให้อบอุ่นหน่อยแล้วยังมีพวกถ้วยโถโอชามพวกนี้อีกต้องเตรียมไว้ให้พร้อมจะได้ไม่ต้องลำบากเวลาจะใช้แล้วไม่มีเจ้าชุนหวากล่าวอย่างละเอียดที่ท้วนจริงได้เสียหวานถ้าเบื่ออาหารที่โรงอาหารขึ้นมาก็อย่าปล่อยให้ตัวเองหิวละมันออกไปหาอะไรกินกับเพื่อนข้างนอกบ้างจะได้เปลี่ยนรสชาติบ้างคุณย่ค่ะคำพูดนี้คุณย่าพูดไปเมื่อวานแล้วค่ะ หลี่หวานยิ้มบางๆความจริงนางฟังจนหูแทบจะขึ้นรอยไปอยู่แล้วแต่บนใบหน้ากลับไม่กล้าสแสดงความรำคาญออกมาเลยร่างเดิมคงอยากจะมีคนมาคอยเป็นห่วงแบบนี้บ้างแต่ความจริงกลับไม่มีเลยยาก็แค่กลัวว่าหลานจะลืมนะสิเจ้าชุนฮาวา ย, ยังหันไปกำชับกับเจิ้งอวิ๋นชงอีกรอบหลักๆคือเรื่องฟูกผ้าหม่มที่เอาไปจะปูอย่างไรห่มอย่างไรแล้วก็เรื่องการผูกมิตรกับเพื่อนร่วมหอพักคนอื่นๆให้รู้จักเพื่อนไว้เยอะเวลาแปดโมงเช้าตรงทุกคนก็ออกจากบ้านหลี่ชิงผิงยังคงกำชับนางตลอดทาง เนื้อหาหลักที่กำชับคืออย่าไปมีเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนร่วมชั้นให้พยายามอยู่ร่วมกันอย่างสันติและถ้าถูกรังแกรหรือเสียใจอะไรก็อย่าอดทนไว้ให้กลับบ้านได้ตลอดเวลาพ่อหลีชิงผิงผู้จบนางก็เริ่มรู้สึกเสียใจขึ้นมาเองหรือว่าลูกไม่ต้องอยู่หอดีไหมแม่คะของพวกนี้ก็เก็บเสร็จหมดแล้วนะคะ หลิวันยิ้มอย่างอ่อนใจตอนแรกนางก็ไม่อยากอยู่หอพักจริงๆนั่นแหละแต่ต่อมาก็คิดว่าถ้าต้องเดินทางไปกลับทุกวันคนในครอบครัวคงจะเป็นห่วงแน่สู้มาอยู่หอพักเสียเลยดีกว่าจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นและทุ่มเทสมาธิให้กับการเรียนได้อย่างเต็มที่ลูกสาวไปเรียนมหาวิทยาลัยนะไม่ใช่ว่าจะไม่กลับมาเสียหน่อยเด็กๆพอโตขึ้นก็ต้องออกจากบ้านกันทั้งนั้นมันเป็นกระบวนการที่ทุกคนต้องเจอเจ้างวินชงปลอบโยนเสียงเบาต่อไปเวลาที่เด็กๆจะอยู่บ้านก็จะน้อยลงเรื่อยๆเราต้องเห็นคุณค่าเวลาที่พวกเขาอยู่บ้านให้มากนะ ลีชิงผิงรู้สึกเช่นนั้นจริงๆนางยังไม่ค่อยชินกับการต้องแยกจากลูกสาวเลยหอพักของสาขาการแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบันในมหาวิทยาลัยการแพทย์ไม่ได้มีความแตกต่างจากสาขาอื่นจุดที่แบ่งแยกชัดเจนที่สุดคือหอพักชายและหอพักหญิงหอพักชายตึกหนึ่งหอพักหญิงตึกหนึ่งนี่คือสิ่งที่เจิ้งอวินชงพึ่งพอใจที่สุดหอพักของหลี่วันอยู่ที่ชั้นสองห้องทางทิศใต้บนประตูมีรายชื่อของคนในหอพักนี้ติดอยู่ รวมทั้งหมดมีนักศึกษา4คนหลีหวานได้เตียงล่างฝั่งซ้ายด้านบนไว้สําหรับวางสัมภาระตรงกลางห้องมีโต้ยาวหนึ่งตัวไว้สําหรับอ่านหนังสือตามปกติในห้องไม่มีห้องน้ําหรือห้องซักล้างส่วนตัวถ้าตอนกลางคืนต้องลุกมาเข้าห้องน้ําคงลําบากแย่เลยใช่ไหมเจิงอวินฉงกล่าวพวกเขามาถึงเป็นคนแรกเขาเห็นว่าหอพักห้องอื่นก็เริ่มมีนักศึกษามาถึงแล้วห้องนี้อยู่ห่างจากห้องน้ําถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างน้อยก็ไม่ต้องได้ยกลิ่นไม่พึงประสงค์แต่ถ้าอยู่ไกลเกินไปเวลาจะเข้าห้องน้ําก็ไม่สะดวกจริงๆ ออกมาอยู่ข้างนอกก็เป็นแบบนี้และแค่จะให้สะดวกสบายไปเสียทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ลีชิงผิงปูเตียงให้เรียบร้อยเจิ้งอวินฉงช่วยกางมุ้งแม้ตอนนี้ฤดูร้อนจะใกล้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็ยังมียุ่งอยู่โดยเฉพาะที่ชั้นสองหลังจากเก็บสัมภาระเสร็จก็ต้องไปรายงานตัวที่สาขาการแพทย์แผนจีนโดยตรงลีชิงผิงและเจิ้งอวินฉงยังคงอยากจะไปส่งลูกสาวให้ถึงที่เห็นนางเข้าห้องเรียนแล้วถึงจะวางใจกลับไปได้ หลิหวานสอบเข้ามหาวิทยาลัยการแพทย์ในสาขาการแพทย์แผนจีนด้วยคะแนนอันดับหนึ่งหรือจ้งหยวนของการสอบเกาข่าวระดับเมืองในปีนี้ซึ่งสร้างความฮือฮาในโรงเรียนไม่น้อยนอกจากระดับผู้บริหารของโรงเรียนแล้วก็ยังมีเพื่อนร่วมสาขาของนางด้วยปัจจุบันสาขาการแพทย์แผนจีนยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าใดนะ นักศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือไม่ก็ศัลยะกรรมกระดูกและข้อสาขาการแพทย์แผนจีนทั้งโรงเรียนรวมกันแล้วมีคนสมัครเรียนเพียงแค่23่สคนเท่านั้นบรรยากาศในมหาวิทยาลัยนี้ดูแตกต่างจริงๆนะคะลีชิงพิงกระซิบกับเจ้งางวินฉงนางไม่มีความรู้สูงนักในใจจะมีความเลื่อมใสต่อผู้มีความรู้เป็นอย่างมากจิตใต้สำนึกของนางรู้สึกว่าคนพวกนี้สมองดีคิดเร็วและฉลาดมาก